หลวงพ่อเขียนธรรมรคิโตวัดสำนักขุนเณรชื่อเดิมว่าเสถียนเก 2399 เกิดที่บ้านตะลิงทันตำบลทอง มาดาชื่อปริตภายหลังได้จันทร์แสงพุทธศักราช 2420 นายเขียนอายุ 20, 20 ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทณวัดภู เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ 2493 หลวง 21 ทันวาคม 2507 ตรงกับวันแรม 2 25, ค่ำเดือนอ้ายปี 108 ปีก่อนมรณภาพหลวงปัจจุบัน ศพของหลวงพ่อเขียนธรรมรัตติโก